ไม่มีสิ่งใดน่ารื่นรมเลยมียาติธรรมบางท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องการปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมนะทำกรรมฐานฝึกฝนทางจิตแล้วก็ามาปรึกษาว่าทำไมเวลาที่เราทำสมาธิหรือเจริญสติแล้วมีความรู้สึกว่าปวดศรีรษะ คลื่นไส้อาเจียนนั่นน้าอกเราบอกว่าเราเราตั้งใจปฏิบัติเกินไปหรือเปล่าเราเพ่งหรือเปล่าเรามีสมาธิมากเกินไปหรือเปล่าจึงทําให้เกิดการเคร่งเครียดท่าัจิตใจแล้วก็มีผลทาให้ร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์ปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนเขาว่าเขาไม่ได้เพ่ง ปฏิบัติธรรมดาธรรมดาสบายสบายแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกับอาการปวดศีรษะแล้แล้วเวลาไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ทํากรรมฐานไม่ได้ทําสมาธิมันปวดศีรษะไหมเราก็ปวดอยู่เ ป, ป็นประจําปวดศีรษะแล้วก็โทษเรื่องการปฏิบัติอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้เกิดจากทางจิตใจละ เกิดจากทางด้านร่างกายเรื่องของร่างกายนี่ต้องไปปรึกษาคุณหมอนะ <c oughs> ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลก็ <c oughs> จะช่วยแก้ปัญหาทางด้านร่างกายได้โรคกายก็ต้องไปหาหมอโรคทางด้านจิตใจก็เราไปหาพระเดี๋ยวนี้ปวดฟันก็ไปหาพระ เพื่อเป่าให้มันหายหน่อยพระไม่มีเครื่องมือรักษาร่างกายพระมีแค่บาทใบเดียวต้องไปหาหมอให้ถูกฝาถูกตัวเขาบอกเขาไม่กล้าไปโรงพยาบาลอายุจนป่านนี้แล้วก็ไม่กล้าไปโรงพยาบาลอะไรไม่กล้าไปกลัวหมอกลัวเครื่องมือแพทย์ กลัวได้เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวคนตายเนี่ยกลัวตัวเองทางนั้นน่ะคิดว่าเราตัวเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นทังนั้นน่ะแต่เขาคิดกลัวก็เลยนําว่าเรากลัวสิ่งใดก็ตามเราต้องไปสัมผัสสิ่งนั้นบ่อยๆมันจึงจะหายกลัวมาไปเถอะ ไปโรงพยาบาลไปได้หลายครั้งไม่ได totally ้ไปรักษาตัวเองก็ไปเยี่ยมคนไข้ไปเยี่ยมญาติของเราเพื่อนของเราเนี่ยคนใกล้ชิดเรามันเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เคยชินไปเองก็แนะนําให้ค้ออะไรก็ตามที่เรากลัวลองสัมผัสบ่อยๆเห็นบ่อยๆมันก็จะหายไปเองแหละ เหมือนคนที่เราที่เรารักเขาแต่เขาไม่รักเราเนี่ยเจอกันบ่อยบ่อยเดอกเดยกก็เปลี่ยนใจเป็นรักกันมันก็เป็นไปได้นีมันต้องรู้จักจังหวะรู้จักกาลเวลาไ ป, ไปบ่อยบ่อยรำจะเคยชินคุณหน้าคุณตาคุณสถานที่เองแหละเหมือนผมเนตเวลา เขาเคยเจอในผู้ที่เรือนจําแต่เกิดมาไม่เคยเข้าเรือนจําเลยแต่มันจำเป็นต้องเข้าไปเรือนจําคือมีผู้ต้องขังรับบริการอยู่ในนั้นผู้ต้องขังจําเป็นต้องเข้าไปเป็นครั้งแรกมันก็เกิดความคิดลงแต่งว่าโอ้เรือนจําเนี่ยมันมีผู้ต้องขัง เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเข้าไปเลยน่ากลัวแค่เห็นกำแพงแล้วก็กลัวแล้วหนาสูงแถมมีรวดหนามมีไฟอีกโอ้ลนึกถึงภาพผู้ต้องขังจะต้องหน้าตาเยี่ยมเกลียมแล้วก็ผู้คุมจะต้องดุไว้หนวดยาวๆดุด ตาแข็งแข็งเข้มเ้มคมคมมันไม่น่าจะเข้าไปก็รู้สึกว่าจิตใจมีอาการอย่างนั้นแต่าก็ท้าทายนะเออดูสิว่าไอ้ความคิดของเราเนี่ยกับความจริงเนี่ยมันจะตรงกันไหมต <c oughs> าตาจิตจใจตัวเองก็เข้าไปในเรียนจำมันก็มีส่วนถูกอยู่แค่สิบเปอร์เซ็นอีกเก้าสิบอร์เซ็นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความรู้สึกอย่างนั้น มันไม่มีความกลัวมีแต่ความสงสารสงสารคนที่อยู่ในเรือนจำมันเหมือนนรกผู้ต้องขังก็รอคอยความหวังผู้ควบคุมเ็ารู้สึกว่าเขาจะต้องติดคุกตลอดเป็นตักวาดเจ้เ ก, กษียรเหมือนกันนะผู้ต้องขังบางนคนเนี่ออกไปแล้วข้ามาใหม่ก็มี แต่ผู้ควบคุมจะต้องอยู่ตรงนั้นหลายปีหลายรุ่นของผู้ต้องขังใช่ว่าเขาอยู่นานกับผู้ต้องขังเ อ, อจนกว่าจาะเกษียณผู้ต้องขังพ้นโทษไปแล้วแต่ผู้ควบคุมยังต้องอยู่ทำงานอย่างนึ่นนงอ๋อมันเป็นเป็นความเข้าใจผิดที่เราคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไปเจอลราทุกคนในหน้างสงศารลาบาก หลไงยมาก็เลยเข้าเรือนจำบ่อยมามาเลยคุ้นเคยกับสภาพของเรือนจำน <Yeah. S 2> ะอะไรก็ตามที่เรากลัวเราลองไปสัมผัสบ่อยๆเดี๋ยวมันเกิดความเคยชินเหมือนความป่วยไข่เนี่ยความเจ็บไข้ถ้าเรามีความเจ็บไข้เราคอยสังเกตดูตัวเราครั้งแรกเราจะปฏิเสธ พอต่อไปแล้วมันจะเกิดความชินชาเป็นโลกนี้ด้วยความเคยชินเป็นโลกธรรมดาตอนกเราความป่วยไข้เป็นเรื่องของธรรมดาโลกธรรมดาไม่มีใครที่จะไม่มีความป่วยไขย้เป็นเรื่องธรรมดาทั้งนั้นแหละเหมือนความแก่ความตายความพลัดพลากมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นสัจธรรม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 ทำใจยอมรับความจริงกับสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราทำใจยอมรับความจริงอย่างมากก็ทุกเฉพาะร่างกายแต่ไม่ทุกทางด้านจิตใจมันได้ได้หนึ่งแล้วมันได้หนึ่งเสียหนึ่งมันจะไม่ต้องเสีย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 คือใจที่เป็นทุกข์วิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกเขาเรียกว่ามันทุกข์ถึงนัานจิตใจมันจะทุกข์สองต่อเนี <c> ่ย <oughs> กายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์ทุกข์สองต่อเลยเพราะทําใจไม่ได้ไม่ว่าเราจะเป็นโรคร้ายแรงเป็นโรคร้ายโรคมะเร็งโรคตับโรคไตโรคหัวใจโรคปอด สารพัดอย่างของโรคเราไม่เครียดเราไม่เคร่งเครียดรู้จักยอมรับความจริงแล้วก็ปล่อยวางมันได้เมื่อไรแล้วก็เราจะมีสุขภาพทางด้านร่างกายที่ดีขึ้นการรักษามันก็จะหายได้ไวเพราะเรายอมรับความจริงถ้าใจยอมรับความจริงอย่างเดียวเท่านั้นเองมันก็สามารถที่จะเผชิญหน้า ไม่วันไหวกับโรคภัยไข้เจ็บได้อ น, นี้มันเป็นเคล็ดลับที่เราจะต้องฝึกเอาไว้ฝึกเอาไว้เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษากันไปให้หมอทำหน้าที่รักษาไข้แต่เราก็ต้องช่วยคุณหมอรักษาใจไม่ให้ทุกข์ต่างฝ่ายต่างทาหน้าที่ให้หมอรักษาไข้แต่เรารักษาใจ หมอรักษาใจเราไม่ได้หรอกคนป่วยแค่ต้องรักษาใจตัวเองใจของเราต้องรักษาเองคุณหมอไม่รู้จักใจเราแต่อางไรก็ตามจะเป็นผู้ที่ป่วยทางด้านร่างกายจิตใจหรือไม่ได้ป่วยก็ตามมันต้องมีวิธีการฝึกปฏิบัติเฉพาะตัวต้องมีการฝึกจิตใจเข้มแข็ง ต้องมีการบริหารจิตให้เข้มแข็งโดยการฝึกสติฝึกสมาธิเอาไวา้ใจจะได้สงบไม่ฟุ้งซ่านคนป่วยคนไข้มักจะฟุ้งซ่านทต่น า, านจิตใจบางทีโรคทางกายไม่เท่าไหร่แต่โรคทางใจที่คลุ้นคิดนี่แหละมันมีอาการรุนแรงมากต้องมีการฝึกจิต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 รักษาจะาให้เป็นปกติอย่างนี้จิตจะไม่ฟุ้งซ่านแม้ว่ากายป่วยจะมากก็ใดก็ตามเนี่ยถ้าจิตอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันไม่ฟุ้งซ่านไปคิดนึกมันก็จะสงบได้มันก็มีความสุขได้ในณปัจจุบันนั้นและที่สำคัญก็คือผู้ป่วยมันจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นโลกที่เราเป็นอยู่จะเป็นโลกมะเร็ง โรคตายโรคหัวใจโรคติดเชื้อต่างๆเนี่ยมันจะมีทุกขเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดจากด้านร่างกายอันนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทรมานจิตใจมากทุกทางกายแต่เกิดทางทรมานจิตใจขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรทุกทางกายเราเลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้แต่ทุกทางจิตเนี่ย ทุกทรมานทางจิตเนี่ยเราสามารถที่จะไม่ทุกข์กับตรงนั้นก็ได้เนี่ย <c oughs> เป็นการแยกจิตออกจากทุกขเวทนาทางกายมันต้องมีการฝึกสติรักษาจิตให้เป็นปกติเข้าไว้ในยานที่ร่างกายมีทุกขเวทนาหนักมีอาการปวดทางด้านร่างกายสมมตินะเจ็บทางกายเนี่ย ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิไม่มีสติเนี่ยจิตมันจะถลํมเข้าไปในทุกขเวทนาทางกายมันก็ทุกทั้งกายทุกทั้งจิตจะทำยังไงที่ให้จิตเป็นปกติในท่ามกลางที่ทุกขเวทนาทางกายกำลังลุมเล้าตัวเนี้ยมันเป็นวิธีการที่จะต้องเป็นเทคนิคต้ตองเอามาฝึกใหม่ๆจะทำไม่ได้หรอกแต่ลองฝึกสักหน่อย เวลาเรานั่งเจ็บปวดอย่างเงี้ยมันมีอาการเจ็บปวดทางกายนะแต่เราไม่รู้อะเราโมแต่ฟังใช่ไหมใช่ไหแต่ฟังแล้วจิตมันไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับทุกขเวทนาแล้วหมกมุ่นอยู่กับการฟัง <c oughs> เราดูซิเราเจ็บไหมเรานั่งเนี่ยเมื่อยไหมปวดไหมพอลึกตับ๊บเราจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยทันทีเลยเนี่แสดงว่าจิตเราเนี่ยรับรู้ได้ แต่เราไม่ได้ทุกนะกับอาการปวดเมื่อยแบบเนี้ยเราไม่ได้ทุกกับมันเพราะเราไม่ได้เข้าไปเป็นมันแต่เราแค่รับรู้มันเฉยๆเท่านั้นเองแค่รับรู้เนี่ยคือหน้าที่ของจิตแต่ถ้าเข้าไปเป็นเนี่ยแปลว่าเราจิตเราหลงหลงเข้าไปอยู่ในทุกขเวทนาทางกายนั่นต้องฝึกนะฝึกทําความรู้สึกตัว หรือฝึกสติเอาไว้เพื่อป้องกันจิตไม่มันถลําเข้าไปจู่ในทุกขเวทนามันต้องมีแบบฝึกมีสติฝึกเอาไว้บางคนใช้คำว่าพุโทโธพุโทโธเนี่ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเพราะจิตไปฝากไว้กับพุโทโธเนี <c oughs> เป็นจิตที่เป็นกุศลมันไม่อยู่กับทุกขเวทนาทางกายมันอยู่กับพุโทโธแต่แล้ว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 รับรู้เอาไว้เฉยๆมันต้องผ่านการฝึกฝึกสติให้จิตมันตั้งมั่นซะก่อนมันจึงไม่ถล่มเข้าไปในทุกขเวทนาเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้หละความเจ็บปวดมันต้องมีอาการทางกายแต่จะหลีกเลี่ยงทางจิตยัยงไงที่จะแม่จิตเข้าไปหมกบุ่นกับทุกขเวทนาตรงนั้น มันต้องมีการฝึกสติฝึกสมาธิเอาไว้ให้จิตมันนิ่งให้จิตมันตื่นเ <c oughs> ติรนรู้เนี่ยอันนี้มันได้ประโยชน์สำหรับผู้ที่ฝึกทุกๆคนมีตัวอย่างเคยเล่าให้ฟังเคยก่าให้ฟังว่ามีอากงท่านหนึ่งอายุ8ปดสิบท่าน ต้องล้างไตทุกสัปดาห์ตแต่ละสองครั้งต้องล้างตายแล้วเป็นทุกข์มากนะครที่ล้างตายหรือระหว่างรอจะกลับบ้านอากงตนีนี่ท่านมีความคิดฟุ้งซ่านคิดถึงอาม่าซึ่งจากไปนานแล้วลูกสะพาย พามาที่จุมลมเป็นประจำก็บอกว่าอากงติดามงอมาซึ่งจากไปแล้วถามว่าอาาไปอยู่ไหนอาไปอยู่สวรรค์อยากจะตามไปสวรรค์ไปพบกับอาาบนสวรรค์อากงนี้ชอบทานอาหารชอบผูฉลามผู้ฉลามน้ำแดงทานแล้วมีความสุขลูกหลานก็ไม่อยากให้ทานแล้วมันเป็นของแสลง ก็ใหท่านฝึกสติฝึกสติเอาไว้เวลาไปล้างตายเนี่ยทำอย่างไร <c oughs> เนี่ยเอานิ้วมือสมัมผัสกันเนี่ยสัมผัสบเบาๆอยู่ตรงนี้นะให้รู้สึกอยู่ที่มือสมัมผัสกันนะว่าอากงทําอย่างงี้นะ <c oughs> ให้ลูกสะพ้ายเป็นผู้ติสอนลูกสะพ้ายใใจดีนใจดีใจเย็นดูแลากงอยู่ อากงก็เชื่ออากง ก, ก็รักรู้สกภายว่าไงก็จะทําตามนีใจดีนะเนี่ยผูดดูแลอากงให้ฝึกบอกเอาเวลาคุณหมอกําลังล้างไตยอย่าไปสนใจคุณหมอนะเรื่องของคุณหมอเรื่องของอากงก็มารู้สึกที่มือสัมผัสนิ้วมือสัมผัสกันให้รู้ตรงนี้นิ้วสัมผัสกันนิ้วจีนิ้วหัมือถูกันเบาๆแล้วก็มารู้ตรงนี้รู้ตรงนี้ เอใจมาฝากอยู่ที่ความรู้สึกที่นิ้วมือสัมผัสกันหมอจะทำยังไงเรื่องของหมอไม่ใช่เรื่องของอากงเนี่ยลูกสะพ้ายสอนวิธีการทำกรรมฐานให้ก ah ับอากงก็ได้ผลนะฝึกบ่อยๆนี่ได้ผลนะอากงไม่เคยดิ้นรนทุนทุรายหรือเป็นทุกข์ขนาดที่คุณหมอทำหน้าที่ฟอกตายล้างตายเลยดีขึ้น แล้วก็เวลาที่รอรอพักจะกลับบ้านโอติอากนี่จะปวดมากเดี๋ยวจะกลับจะวุ่นวายเสียงดังดูสบายก็เตือนนะอากงเนี่ยรู้สึกตรงนี้นะอากงไม่ได้สนใจกับความคิดที่อยากอยากระบายอารมณ์ออกมาเลยนะมารู้สึกตรงนี้ใจจดจ่ออยู่ที่นิ้วมือสมัดกันเบาๆเบาๆอ๋มีความสุขขึ้นก็เลยบอก ต่อไปอยู่ที่บ้านเวลาเครียดให้มารู้สึกที่นิ้วมือสมัมผัสกันนะเวลาไม่รู้จะทำอะไรคิดอะไรไม่ออกให้รู้สึกตรงนี้นะเวลาเหงาก็รู้สึกที่นิ้วสมัมผัสกันนะวันนั่งวัน่ะท่านไม่ค่อยมีอะไรทำอยู่แล้วก็มารู้สึกที่นิ้วสมัมผัสกันจิตมันก็ตื่นตื่นออกมาจากความทุกข์ความเหงาความคิดต่างๆมีความสุขขึ้นหน้าตาแจ่มใสมาที่จมรมเนี่ย ลูกสะไพก็รายฟังว่าโ อ, อกองดีขึ้นใจเย็นใจดีเนี่ยเนี่ยแก่ฝึกสติอ่ะกงว่าอ่กองอยากอ่ะอยกได้อะไรมั้ยสภัยตอบว่าอ๋อยากกินหูฉลามอ่ะทําไมอ่ะจะได้ขึ้นสวนรรค์ไวๆเออเนี่ยรีบตายไปเกิดพบอมาม่าบนสวรรค์พราะว่าฝึกสติแล้วเนี่ยก่อนจะตายจิตมันก็จะจิตจ ปกติจิตจะดีจิตจะเป็นกุศลตายไปก็ไปสู่สุคติอากงอะไรก็อยากจะกินหูฉลามจะได้ไปสู่สุคติไว้ไว้เนี่ยผลจากการฝึกสติในท่ามกลางทุกขเวทนาทางกายที่หลุมเลา้าเพราะจิตไม่ไปหมกมุ่นอยู่กับทุกขเวทนาจิตไม่อยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศลมารู้สึกตัวมารู้สึกตัว มาบริกรรมพูดโทร <c oughs> เนี่ยเป็นฝ่ายของกุศลังนั้นน่ะ <c oughs> อันนี้มีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยไข้ฝึกตรงนี้ไว้ฝึกบ่อยๆฝึกให้จำนานเนี่ยเรสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไปพ้นก็คือความตายเนี่ยเมื่อความตายจะมาถึงตัวเนี่ยถ้าฝึกสติเอาไว้เนี่ยมันตายอย่างมีสติไม่หลงตายนะ ถ้ามีสติไม่หลงตายเนี่ยสุคติเป็นที่หวังได้เนเพราะเวลาก่อนคนเราจะตายเนี่ยจิตใจจะเป็นไงจะวิตกกังวลจะรู้สึกว้าเหวจะกลุ้มอกจุ้งใจจะกลัวกลัวเนี่ยต้องฝึกให้มีสติรักษ า, ษาจิตเอาไว้นให้รู้จักปล่อยจักวางนฝึกจิตให้ปล่อยวางปล่อยวางในสิ่งที่ควรปล่อยวาง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 ถ้าเราปล่อยวางบ่อยถึงเวลานี้วางได้ง่ายๆนาทีทองนาทีสุดท้ายตกกระไดพลอยกระโจนไม่ต้องกลัวไม่ต้องวันเกยอะไรเลยนะไปตายก็ตายวางมาทุกอย่างแล้วมันก็ตายดีมีความสุขเมื่อ ย, ยังไม่ตายมันก็มีความหมายชีวิตก็มีความสุขเวลาตายไปก็สู่สุคติอยู่อย่างไรก็ตายอย่างนั้นอยู่เป็นทุกข์ตายก็ไปเป็นทุกข์ อยู่ดีตายก็ดีอยู่อย่างไรก็ตายอย่างนั้นมันต้องเรื่อนจากการฝึกเอาไวเ้เสมอๆอย่ารอต่อเมื่อที่เราไม่มีสติแล้วคนเรียกก็ไม่รู้สึกตัวแล้วมันลำบากตอนนั้นไปวัดใจตอนนั้นมันวัดยากเพราะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ทำแต่บุญอย่างเดียวบาปเราก็ทำอย่าไปวัดใจกับตอนนั้นฝึกไว้ก่อนฝึกไว้ก่อนอย่าประมาท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 ดูแลคุณหมอคุณพยาบาลหรือผู้ดูแลต่างๆเนี่ยต้องฝึกด้วยนะถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยคนไข้ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยยิ่งใกล้ที่จะคนใกล้ต้องฝึกให้คนไข้ดูฝึกให้คนไข้ดูเป็นตัวอย่างนาคนไข้เป็นตัวอย่างเขาจะได้มีเพื่อนอย่างน้อยเรายังทำไม่เก่งก็แนะนำเขาก็ยังได้ผู้ดูแลจะต้อง เป็นผู้ที่มีพื้นฐานของจิตที่เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอย่างหนึ่งก็คือว่าเมตตากรุณาใจเย็นใจดียิ้มง่ายอารมณ์ดีเป็นคนที่มีความสุขเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยคนอยู่คนไข้ใกล้ตัวก็จะสบายใจต้องยอมรับหลายๆอย่างในสิ่งที่เราไม่พอใจนต้องสอนจัดจะทำได้นะ ต้องสอนจัดทำได้ปลอบใจคนใกล้โอ้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยสอนจัดทำคนเราเกิดมาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยบังคับบรญจาไม่ได้สอนไปศจัดทำต้องมีความรู้เรื่องแบบนี้จะเก่งเฉพาะดูแลร่างกายอย่างเดียวเนะี่ยมันยังไม่พอต้องดูแลทางด้านจิตใจด้วยคุณหมอคุณพยาบาลผู้ดูแลไม่เจ่ว่าเรียนเก่ง มีความรู้ดีมีความสามารถดียังไม่พอต้องมีกรรมฐานดีด้วยเพื่อราาักษาใจตนเองไม่ให้เป็นทุกข์เพราบางครั้งเวลาเราทําหน้าที่อยู่เนี่ยถ้าคนไข้ดือ้อระบายอารมณ์ไม่ดีออกมา <c oughs> เราต้องมีสติรู้ทันจิตใจเราเราเกิดความไม่พอใจแล้วสติรู้จิตแล้วจิตเราไม่พอใจเนี่ยเป็นกรรมฐาน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 เดี๋ยวความกลัวก็หายไปเพราะกิเลสเป็นกลัวสติที่รู้ทันต้องฝึกดูกจิตใจตัวเองบางทีเราคาดหวังเอาไว้สูงมันไม่ได้เองใจหวังเกิดความผิดหวังต้องรู้ทันจิตใจเราอ๋อมันผิดหวังใจเรามันศร้าหมองงี้เนาะให้รู้ทันเอาชนะใจเราโดยที่รู้ทันแล้วก็ไม่ทำตามต้องฝึก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 อย่างที่เนี่ยโรงพยาบาลเจ้าพยาโยมราชสุพรรณบุรีนี่จัดการอบรมจริยธรรมเนี่ยทุกคนก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ใช้ทุกคนมีคุณธรรมอยู่แล้วนะแต่เราไม่ได้ใช้เรามองข้ามความเมตตากราุณาให้อภัยมีน้ำใจเสียสละนี่คุณธรรมทั้งนั้น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 ยอมรับความจริงในข้อที่ว่าเขากําลังขับไล่โรคภัยไข้เจ็บให้กับเราเขาดูเราว่าเรากําลังขับไล่โรคภัยไข้เจ็บให้กับเราโรคจะได้หายไวๆ เ, เขากาลังขับไล่ให้เราดีแล้วดีแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาสนใจเราให้ความสะคัญกับเรามาก ถ้าเขาไม่คุยกับเราเลยไม่ดุไม่ว่าแม่อะไร เ, เราก็จะเหงาไม่มีใครมาสนใจเราเลยคนเรานี่แปลกนะจะเป็นคนดีคุณเก่งคนดังในโลกเนี่ยถ้าใครเดินผ่านเราไม่สนใจไม่ทักทายเลยเนี่ยจะกลายเป็นบุคคลที่เหงาที่สุดในโลกเหมือนกันน ะ, ะเพราะนั้นผู้ดูแลคุณพยาบาลจะว่าจะดุเราบ้างก็ไม่เป็นไรหรอก เขช่วยขับไล่โรคไปก็เจะไปกับเราโรคบางอย่างนี่มันสำออยพูดดีๆมากๆบางทีก็เป็นนาน<ม>หายช้าโรคมันจะได้กลัวบ้างเวลาถูกดูถูกว่าเนี่ยผมเคยนะเนี่ยมันเคยเนี่ยมันมือผมนี่ไม่รู้สึกหรอกผมไปจับแก้วน้ําแก้วน้ํามันร้อนไม่รู้หรอกว่าจับแล้ว สักพักหนึ่งพะมือสั่นๆโอมันร้อนจริงเพราะว่างไปเนี่ยมือนี่พองเลยนี่ยไม่รู้ละไม่รู้สึกลพะพอจับไปเป็นแก้วนาาเราก็ไม่รู้ว่มันร้อนพอ ร, รู้สีก็ันก็พองเนี่ยก็มียศธรรมที่เป็นหมอแล้วก็มาดูแลให้รักษาแผลติดเชื้อเพราะแผลนี่เป็นแล้วหายากมากเนี่ยตอนนี้เป็นโรคตับตับแขงตับอักเสบไวรัสซี เนโรคตับแข็งไม่เคยดื่มเหล้าเลยนะแต่ตับมันแข็งเพราะว่าอาจจะติดเชื้อจากการรับเลือดคนดื่มเหล้าบอกว่าโอ้ไม่ดีหรอกไม่ดื่มเหล้าตับแข็งแต่เขาดื่มเหล้าตับเขาไม่แข็งนะเราอาจจะไม่มีเชื้อน่าจะดื่มสักหน่อย <c oughs> มาเลยหายชาเวลามีแผลมาลหายช้ามากเหมอก็ทําแผลให้ทุกวันนะทําอยู่เกือบสิบครั้ง แผลที่ว่าเป็นเกลืออาการพองกับน้ำร้อนลวกหายชา้าเพราะตอนรักษาไปเนี่ก็คุยยันดีคุยธรรมะกันหมอก็เป็นญาติทำก็คุยดีพูดดีแผลไม่ค่อยหา ย, หายช้าแลยเกินมีวันหนึ่งหมอบอกพู้นี้ผมไม่ว่างนะผมเอาเครื่องมือฝากเอาไว้ให้คนดูแลอาจารย์ดูแลกันแล้วกัน คนดูแลผมก็ดูแลถึงเวลาก็ทําแผลไปบ่นไปเนี่ยรักษานานและมันหายช้าหายยากรักษาไปบ่นไปแผลมันบื่อคนบน่นมาเลยรีบหายเล ย, เยสองวันหายเลยคุณหมอเมือจีบรักษาเกือบสิบวันไม่หายพูดดีกันไปโรคมันสำออยอยากอยู่นานๆหายยากเนี่ย น, นี่มาผู้ ด, ดูแลรักษาก็บ่นไปนะรักษาไม่ ทำไมไม่สะอาดเนี่ยดูสิโลกมันเบื่อคนบนมันหายแล้วมันก็ที่ยเทื่นงโลกอื่นเลยนะโลกอื่นไม่กล้าเป็นแล้วมันโดนบน่นบางทีก็ต้องยอมรับนะคนไข้เวลาเราป่วยไข้เนี่ยคุณหมอว่าบางแล้วบางก็ไม่เวลารอ ก, <c oughs> ก็ขับไล่โรคไป <c oughs> จะได้หายไวๆ <c oughs> ถ้าโรคใขร <c oughs> หายเช้าบอกนะเราภาษาขับไ ล, โล่โรคเออ มันก็ดีขึ้นได้จากการที่เรายอมรับอะไรสักบ้างเ <P> พราะเราเป็นทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับความจริงยอมรับแล้วเราทำไงยอมรับแล้วแก้ไขคนไข้เวลาป่วยไข่อ๋อป่วยไข้ยอมรับเรื่องธรรมดาแล้วก็ทําหน้าที่รักษาการรักษาเนี่ยในระหว่างที่คุณหมอรักษาร่างกายเราก็รักษาจิตใจ มันก็ต้องยอมรับบางทีมันก็ไม่หายเหมือนกันนลัลูกยอมรับไปเออหายก็หายไม่หายก็ไม่หายเนี่ยเรื่องของผลนี่เราบางังคับไม่ได้แต่เรื่องของเหตุนี่จ่อแค่ไหนก็ได้แต่ผลนี่ก็ต้องยอมรับไปแล้วจะสบายใจนะถ้าเรือกว่าต้องหายเสมอถ้ามันไม่หายจะเป็นทุกข์เลยหายก็หายไม่หายก็ไม่หายเนี่ยอันนี้ยอมรับความจริง เราก็จะสบายใจเมื่อผลออกมามันหายก็ดีมันไม่หายก็เออธรรมาดา <c oughs> เราก็ต้องฝึกทำใจอย่างเงี้ยการทำใจได้เนี่ยมันไม่ทุกนะถึงทุกก็ทุกน้อยทำใจได้และผู้ดูแลก็ต้องยอมรับเออคนไข้เขาเป็นอย่างนงี้เองเขาก็ต้องเครียดต้องทุกข์แต่เขาไม่เครียดไม่ทุกข์ก็ต้องไม่มไข้ธรรมดา ต่างฝ่ายต่างยอมรับมันเป็นธรรมดามันก็ช่วยในการรักษาคนไข้แบบพี่แบบน้องแบบครอบแบบรวมไม่ต้องทะเลาะ ก, กันไม่ต้องเป็นทุกข์กันนะต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ทันเวลามีความป่วยไข่เนี่ยเราอย่าปฏิเสธใชยโอกาสฉลาดป่วยขึ้นมาทันทีเลยฉลาดป่วย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 แตว่าออเปเรื่องธรรมดาไม่ยึดตัวตนของเราปล่อยวางเราจะได้ไม่ลอกไปเกิดในภพชาติไหนถ้าเกิดเมื่อแล้วต้องไปเจอความแก่ความเจ็บกามตา ย, ยรู้จักที่จะรู้ทันและปล่อยวางมันไม่ยึดมั่นถือมั่นเราจะได้ไม่ลอกไปผุดไปเกิดที่ไห น, เ, นเอาไหมไม่ลองผุดไม่้องเกิดหรืวยังอยากจะเกิดอีกจะเกิดพอต้องแก่อีกนะต้องไปหนี้อีกนะ เราไม่ต้องปูกม่ต้องเกิดแล้วนั่นแหละแสดงว่าเราสิ้นพบสิ้นชาติแต่คนสมัยนี้ขอไม่ค่อยให้วอวยพรนะไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดเขายังอยากเกิดอยู่ฉลองวันเกิดทําไมไม่ฉลองวันไม่เกิดบ้างฉลองวันไม่เกิดเนีย่ยม่ถึงว่าผู้บรรลุธรรมนะเป็นอหรหันต์ไม่ต้องเกิดที่ไหนแล้วนะแม่อายางเสียดายอยากเกิดอยู่ก็ฉลองวันเกิด แล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์เนี่ยอันนี้มันทำให้เราต้องฝึกเอาไว้นะฝึกเอาไว้ความป่วยไข้ทำให้เราได้ปฏิบัติธรรมอย่างผมเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่องธรรมามาก่อนจนมาทั้งสุขภาพร่างกายต้องเป็นอยู่อย่างเงี้ยทุกข์ทรลาภาพพีการละหันมาสนใจธรรมะเพราะไม่มีทางเลือกในชีวิตอ๋อดีเนาะ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 กลับเรียนท่านอาจารย์นะคะก็ข อ, อการเรียนถามท่านอาจารย์นะคะเนื่องจากว่าผู้เจ็บไข้หลายๆท่านนะะ่ยค่ะคือบางทางเนี่ยคือคิดว่าเป็นเหตุเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของตัวคนไข้ด้วยบางส่วนนะคะท่านอาจารย์จะมีเทคนิคแนะนําอย่างไรคะอย่างบางท่านเนี่ยอาจจะต้องมีอาชีพที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแนวทางเช่นในเรื่องของมีความจําเป็นจะต้องฆ่าสัตว์ตาชีวิตหรือว่ามีความจําเป็นบางอย่างที่ ไม่สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้ค่ะท่านอาจารย์จำเป็นแค่ไหนถ้าเราทมบาปก็คือบาปนะสมมาอาชีพนี่ถ้าเป็นอาชีพที่เป็นทุจริตเป็นบาปแล้วก็ต้องยอมรับไปแต่เราก็รู้ว่าอันนั้นเป็นทุกข์เป็นโทษให้รู้บ่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะเลิกทำไปเอง เราทําอาชีพแบบนี้เนะี่ยสมมุติเราทําแล้วไม่มีใครรู้แต่เรารู้และเราตายไปสมมติตายนะตายไปแล้วไปเจอจุมบาลยุบบาลสอบสวนมาบอกนี่ทําอะไรมาบอกฆ่าหมูมาทําไมต้องฆ่าหมูด้วยฆ่าหมูเป็นบาปนะไม่ฆ่าก็าไปได้เขาจะต้องอดตายเราไปอ้างกับจุบบาลได้ไหม <c oughs> มันอ้างไม่ได้ละคือบาปคือส่วนบาปเราต้องยอมรับอ่ะบาป ทำให้เกิดความทุกข์บุญทําให้เกิดความสุขเราก็เลือกเอาเนี่ยเรามีในตัวเรามีกระเป๋าสองใบอีกใบนีนกระเป๋าบาปกระเป๋าบุญเนี่ยส่วนบาปก็ใส่กระเป๋าบาปไปส่วนบุญก็ใส่บุญไปมันครั่ด้านกันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกเนี่ยเราจะอาจจะทําบุญให้มากเว่าเพราะไอบาปมันตามไม่ทันก็พอได้อยู่มันจะลบล้างกันไม่ได้ แต่มันจะลบเลือนได้แต่ลบล้างไม่ได้บาคกอส่วนบาป ก, ก็ต้องยอมรับไปนะกฎธรรมชาติกฎธรรมะเนี่ยไม่เหมือนกฎหมายนะกฎหมายนี่เลี่ยงได้หนีได้นะแต่กฎแห่งกรรมเนี่ยนหนีไม่พ้น <c oughs> ก็ต้องไปรับอ่ะก็เห็นทุกทุโทษบ่อยๆเคยมีชาวประมงเนี่ยจับปลานะเพราะว่าประกรอบอาชีพ แต่การจับปลาเนี่ยมันเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เป็นบาปเขาทำแต่ละครั้งเนี่ยเขาไม่สบายใจแต่จะไปต้องทำแต่มันมีความไม่สบายใจอยู่นานเข้าเลิกทำแล้วเพราะเห็นทุกข์เอ็โทษทำเวลาทุกทุกทีมันมีโอกาสที่จะเลิกได้เพราะเห็นทุกข์เห็นโทษในสิ่งที่เราทำเขาก็เลือกทำอาชีพอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ใครกำลังทําบาปอยู่ก็ให้รับรู้ว่าเออเนี่ยบาปเป็นเห็นความทุกข์นะแล้วต่อไปเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพใหม่อาชีพอื่นอนุญาตกลับเรียนถามท่านอาจารย์นะคะอาจารย์อย่างในกรณีที่ตํารวจนะคะยิงผู้ร้ายถ้าไม่ยิงผู้ร้ายเนี่ยผู้ร้ายก็จะยิงเราถามว่าอันนี้บาป เป็นบาปไหมคะบาปบบาปแตบาปบาปร0อหรือบาปจะอถ้าถ้าบาปในปากแบะเจ้าค่ะถ้าบุญปากจูเจ้าค่ะบาปปากแบะหมายถึงบาปเอ่อเราคู่เขาว่าบาปนี่บาปแบะปากแบะถ้าบุญปากจูต่างกันอ๋ออ๋อค่ะค่ะเข้าใจนะคะอาจารย์ค่ะบาปนั้นเกิ่ยกับเจตนาเจตนาเจตนาตำรวจยิงผู้ร้ายเพราะด้วยหน้าที่ เพราะการป้องกันตัวไม่ได้เจตนาที่จะฆ่าเขาด้วยโทสะจิตของผู้ทำแล้วัจิตที่ทำด้วยความไม่เจตนาทำโดยหน้าที่ะนะมันไม่ถึงกับบาปหรอกมันเป็นเพียงแค่บกพร่องนิดหน่อยนีคือทำให้เขาต้องตายเพราะตัวเราแต่ในใจนั้นไม่มีเจตนาถือว่าทำตามหน้าที่ เจตนายิงแต่ไม่เจตนาให้ตายไม่เจตนาคือเจตนา <c oughs> ก, ก็ไม่ได้เป็นโกรธเนะี่ยเขาทำด้วยความโกรธคทําด้วยความโกรธมึงต้องตายเดี๋ยวนี้เราจะฆ่ามึงตรงนี้แหละอย่างเงี้ยตกมาล็อกร้อปร์เซ็นแล้วก็บาปแน่นอนครบเลยเพราะมีความเจตนาเจตนาจะฆ่าแล้วรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็ฆ่าและฆ่าโดยสําเร็จเนี่ยมันถ้ามันไม่ครบองค์แล้วก็ถือว่ามันไม่บาปเต็มที่ มีเป็นบางส่วนป้องกันป้องกันตัวทําหน้าที่ไม่เป็นไรเช่นเวลาเราเรามีพยาธในร่างกายเนี่ยพยาธเนี่ยมันทาําลายร่างกายเราเนี่ยทาให้ซุดโ ซ, ซมีโรคไปแข้เจ็บถ้าเราฆ่าโดยการกินยาถ่ายพยาธออกไปไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นพยาธเราก็ไม่ได้บาปเพราะเราไม่ได้ทําด้วยความโกรธแค้นจริงจัง อย่าลนถ้ามีการถามมาบุญเป็นไงบาปเป็นไงเอาลองพูดมาสิถ้าบาปก็ปากแบะแบะถ้าบุญก็ปากจูจู <c> ่เ <oughs> นี่ยต่างกันตรงนั้นครับอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําเรื่องการปล่อยวางครับคือจะบอกเทคนิคให้เขาว่าให้เขาจะปล่อยวางเนี่ยจะให้ทํำยังไงครับต่รมาปล่อยวางเนี่ยเราต้องรู้ไม่ได้ปล่อยทิ้ง แล้วก็ตามที่เราเขอไปยึดมั่นถือมั่นแล้วทําให้เราเป็นทุกข์ถ้าเรายึดมั่นต่อไปเราก็จะเป็นทุกข์แล้วก็ปล่อยวางซะอย่างเช่นว่าสมมุติว่าอ๋เรื่องนี้ก็คือเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แต่สิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นความจริงที่ควรต้องเผชิญ แต่ว่าเมื่อมีความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยเราไปยึดมั่นติดมั่นว่าเราป่วยเราก็ต้องเป็นทุกข์เราบอกอ๋อความเจ็บป่วยเนี่เป็นเรื่องของร่างกายเนี่ยร่างกายมันต้องไม่เที่ยงต้องเป็นทุกข์เนี่ยบังคับบัญจามันไม่ได้ต้องป่วยไปตามสภาพตามอาการของมันถอนความยึดมั่นติดมั่นว่าร่างกายที่ป่วยเป็นตัวเราของเราซะาเรียกว่าปล่อยวาง แต่ว่าทำที่รักษาไปตามหน้าที่แต่ในใจไม่ได้ยึดติดว่าเป็นเรานั่นคือปล่อยวางไม่ได้ปล่อยทิ้งถ้าปล่อยวางแบบป่วยก็ช่างมันไม่รักษาหรอกอันนี้ก็ปล่อยทิ้งปล่อยวางคือวางความยึดติดว่าเป็นตัวเราแต่เราก็ทำที่รักษาเขาตามสมควรแก้อาการหรือความสามารถ มีการรับผิดชอบอยู่อย่างเช่นว่าเราสอนลูกเราสอนใครสักคนหนึ่งที่เรารักเราทําหน้าที่สอนสอนสอนแต่ถ้าเขาไม่เชื่อฟังเราก็ต้องปล่อยเขาไปตามว่าเรียกปล่อยวางไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อเราเราก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าปล่อยวางไม่ได้ใจก็ต้องเป็นทุกข์เราทำเลยหน้าที่ให้เรียบร้อยอย่างคุณหมอคุณพยาบาล ดูแลรักษาคนไข้อย่างดีที่สุดแต่คนไข้ก็ไม่รอดหรือโรค ก, ก็ไปหายอ๋อต้องยอมรับธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นเองโรคภายุเจ็ดมัญหา ย, ยากโรคนี้รักษาไม่ได้ต้องปล่อยวางเพื่อรักษาจิตใจผู้ที่เข้าไปยึด ต, ติดจะได้ไม่ทุกข์รักษาจิตใจคุณหมอคุณใบาบานจะได้ไม่ทุกข์ว่าทําที่เต็มที่แล้วผลออกมามันไม่ดีก็ต้องยอมรับความจริงคือปล่อยวางคือยอมรับความจริงซึ่งไม่สามารถจะฝืนได้ ต้องปล่อยวางถ้าปล่อยวางไม่ได้ใจก็เป็นทุกข์ก็ต้องฝึกตรงนี้ถ้าสมมุติว่าคนไข้เกิดทุกขเวทนาใชจปล่อยวางใน ต, ตอนนั้นมันยากมากเพราะกำลังยึด ต, ติดก็มีวิธีการพูดคุยกับคนไข้ให้จิตคนไข้อยู่กับการฟังของเราซะเขาจะได้ไม่ประมุ่นกับทุกขเวทนาน่าเป็นการปล่อยวาง แต่ปล่อยวางแบบชั่วขนาดหนึ่งที่เขาไม่ได้สนใจสิ่งนั้นจนกว่าเขาจะเกิดความรู้ว่ายึดติดเมื่อไหร่ใจก็เป็นทุกข์ยึดติดเมื่อไหร่ใจก็เป็นทุกข์เอ็นทุกข์เร็นโทษบ่อยๆเราก็ไม่ยุ่งกับทุกขเวทนาตัวนั้นได้ก็ปล่อยวางแต่การมีสติจเจริญสติรู้เท่าฐานาการนั้นบ่อยๆจนเกิดปัญญารู้แจ้งว่าอ๋อกายกับจิตนี่มันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ขบังคับบัญชาไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นต่อไปเราก็เป็นทุกข์ก็ปล่อยวางไอ้โดยโดยการปฏิบัติธรรมต่างกันนะปล่อยวางกับปล่อยทิ้งปล่อยวางเพราะมีหน้าที่แต่ไม่ไหวแล้วก็ต้องปล่อยวางอย่างเช่นว่าเมตตากรุณามุทิตาเบกขาเมตตาแล้วช่วยเหลือแล้วเขาไม่รอด ป้องอุเบกขาออธรรมดาเป็นไปตามกรรมที่คือปล่อยวางคือเป็นตัวปัญญาอยากจะใหอะ้อาจารย์ช่วยแนะนำในเรื่องที่ว่าหลวงประเทียนเนี่ยท่านอสอนรักษณะไหนสอนอย่างไรแล้วก็เห็นว่าหลวงปุทเทียนเนี่ยก็ ตอนในแนวของการเคลื่อนไหวครนี้ก็จะจะทำยังไรที่ที่จะให้บุคคลที่เป็นปกติคนที่เป็นปกติเนี่ย เ, เรียนเรียนรู้ทางด้านของการการปฏิบัติในสายของรูกพุทีนแล้วก็ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะปฏิบัติย่างไรเพื่ออาจารย์ก็พูดตอนที่ที่ได้อธิบายไปแล้วแต่คีนี้ว่าอยากจะให้อธิบายซ้าอีกทีหนึ่ง การนมัสการครับลุงพัเทีทยงก็สอนเรื่องการเจรลศีแบบเคลื่อนไหวเพื่อให้มีความรู้สึกตัวเน้นให้มีความรู้สึกตัวให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวกายอยู่ไหนใจยอยู่นั่นฝึกให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวโดยที่ไม่ผ่านความคิดนึกแต่ผ่านการเคลื่อนไหวเพื่อให้จิตมันรู้รู้ทานการเคลื่อนไหวจิตจะได้ตื่นตื่นออกมาจากกาย ตืนเอามาจากความคิดนึกปรุงแต่งตื่นออกมาจากความง่วงคือตื่นรู้พอตื่นรู้แล้วก็จิดก็จะเบิกบานมีความสุขก็ใส่การเคลื่อนไหวของกายแล้วก็ใจรู้ลองสักหน่อยนะลองเอามือที่เราถนัดสักข้างหนึ่งวางไว้เนี่ยความดุยท่าความไม่ต้องใช้ความคิด ไม่ต้องหลับตาไม่ต้องมีคําบริกรรมไม่มีคําพูดมีแต่ความรู้สึกรู้สึกลว้วนๆนั่นคือจิตเดิมแทๆ้ๆเป็นจิตที่บริสุทธิ์รู้สึกอาศัยการเคลื่อนไหวมือพลิกมือหงายรู้นะรู้สึกว่ามือมันหงายพลิกมือคว่ำรู้พลิกมือหงาย ร้อาใจเขาไปรู้เวลามือมันคว่ำก็รู้มือมันหงายก็รู้คว่มก็รู้สึกหงายก็รู้สึกอย่าไปคิดนะอย่าไปห้ามความคิดอย่าไปใช้ความคิดแต่มารู้สึกที่มือกำลังควา่าเห็นไหม รู้สึกไหมเวลามือมันเคลื่อนไหวเวลามือมันเคลื่อนไหวไปหงายก็รู้มันเคลื่อนไปคว่ำก็รู้มันเคลื่อนไหวไปทางไหนก็รู้สึกจิตที่รู้กายที่เคลื่อนกายมันเคลื่อนไหวใจก็รู้สองอย่างเวลาจิตมันเผลอไปก็ไม่เป็นไร ก็มารู้สึกที่มือกำลังเคลื่อนไหวรู้แบบดูๆอย่าไปเพ่งรู้แบบดูๆรู้เฉยๆรู้แบบไปต้องใช้ความคิดให้รู้สึกอเอาละเวลากายเคลื่อนไหวใจรู้่เงียได้ว่าจิตมันไม่หลงไปไหนก็เรียกรู้สึกตัว สติคือความรู้สึกตัวคือกายที่มันเคลื่อนไหวรู้สึกตัวไหนใครไม่รู้สึกตัวบ้างทุกท่านมีความรู้สึกตัวว่ากําลังเคลื่อนกําลังไหวนี่แหละเป็นแบบฝึกถ้ารู้สึกตัวบ่อยๆรุ่นานานๆเนี่ยเขาเรียกจิตมันจะตืนต่นตื่นอากมาจากผู้ที่เข้าไปเป็นกายกลายเป็นผู้ที่ดูกายตปเวมาเป็นผู้ดู ไม่ได้เข้าไปยึดครองตอนนี้เราไม่ได้ฝึกสติแล้วก็กลายเป็นเราเป็นของเราถ้าฝึกบ่อยในจิตจะเติลออกมาเลยเหมนอ๋อกายคือกายใจคือผู้ที่รู้ตนเองแยกกายแยกจิตนะแยกกายส่วนหนึ่งจิตรู้ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นคนอืยิ่งฝึกบ่อยเนี่ยฝึกเพื่ออะไรฝึกให้จิตมันตต่นให้มันเข้มแข็งให้มีกำลังมันจะได้รู้ทันความคิดความคิด ที่มันปรุงแต่งขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดมันก็คิดเป็นโลคโกรธหลงความคิดทำให้เกิดความโลคความคิดทำให้เกิดความโกรธความคิดทำให้เกิดความหลงลืมตัวกิเลสก็คือกิเลสโรคโกรธหลงกิเลสเนี่ยมันก็พายเหตุขความทุกข์มาสู่จิตสู่ใจเรา มันมากับความคิดถ้าเราฝึกสติบ <t> ่อยๆรู <c> ้ท <c> ันบ <c> ่อยๆรู <c> ้ทันความคิดความคิดมันก็จะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะดับลงเมื่อสติมันรู้ทันความคิดมันก็จะขาดไปหายไปแล้วมันคิดขึ้นมาอีกสติรู้ทันอีกพอความคิดดับไปความคิดไม่ทํางานในขณะนั้นกิเลสความโลภความโกรธความอะไรมันก็หายไปด้วย จิตมันก็จะเป็นบริสุทธิ์ทั้งเป็นจิตล้วนๆเป็นจิตประภัสสนเป็นจิตว่างเป็นจิตเดินแท้ๆมันก็เป็นความบริสุทธิ์เป็นความเบิกบานเป็นความสุขท่านแนะนำให้เราฝึกสติบ่อยๆฝึกให้ํำนานเวลากายเคลื่อนไหว ใ, หใจรู้สึกกับพิษตาก็รู้สึกหายใจก็รู้สึกกลืนน้ำลายเราไปลคอก็รู้สึก กาเดิ น, นรู้สึกรู้สึกแต่ละครั้งจิตมันจะเตยออกมาเตยออกมาจากสิ่งที่เรารู้มากลายเป็นผู้รู้ <c oughs> รู้กายเคลื่อนไหวจิตก็เตยมาเป็นผู้ที่ดูกายเคลื่อนไหวไม่ได้เข้าไปเคลื่อนไหวด้วยเวลาจิตเป็นคิดสติรู้ทันเป็นผู้เห็นความคิดไม่ได้เข้าไปคิดจิตมันก็บริสุทธิ์ติดที่บริสุทธิ์นี้ถ้ามันจะคิดก็ ค, คิดดี คิดมีประโยชน์คิดเราไม่ทุกเนี่ยเป็นการฝรึกจติตติแบบเคลื่อนไหวแนวหลุมตะเตียนการเคลื่อนไหวมันปลุกสติให้มันตื่นให้มันทรงให้มันหลับให้มันตื่นรู้ตื่นรู้ปลุกให้มันรู้ขยา่ทาท่ารู้ที่ทุกคนมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เพราะถูกความคิดเอาไปกินหมดหลายคนถูกความคิดกินจนนอนไม่หลับ ฝึกสติเอาไว้จะได้รู้ทันแล้วก็ความคิดก็ดับไปใจเราก็จะบริสุทธิ์ก็จะมีความสุขลองไปฝึกดูนะมีประโยชน์นอนหลับสบายโรคทางจิตไม่เป็นโรงพยาบาลโรคจิตไม่มีสำหรับเรา <c oughs>